ห้องสมุดหลังไมโดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองยินดีต้อนรับสู่จิตตนาคนครนะคะกับห้องสมุดหลังไมค่ะกับการอัญเชิญพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยา น, นาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมาถ่ายทอดแบ่งปันให้คุณได้ฟังนะคะเรียนรู้ร่วมกันไปกับผู้จัดนี่และค่ะวันนี้ เราจะไปจิตตะนครกันต่อคะ่ะไปพบกับคู่บารมีของนครสามีหรือว่าผู้ครองนครที่ผ่านมาเรารู้จักกับผู้ร้ายก็คือตัวสมุไทยซึ่งเป็นตัวร้ายมีลูกสมุนมีหัวโจกมากมายที่คอยก่อกวนบังควานแล้วก็ควบคุมทำให้ชาวจิตตะนครเนี่ยร้อนรนยากที่จะหาความสงบสุขในใจได้ ถ้าไม่รู้วิธีจัดการกับสมุทยัยถ้าไม่รู้วิธีอบรมปัญญาตอนนี้ลองมาฟังเรื่องคู่บารมีของนครสามีนะคะคู่บารมีของนครสามีคืออะไรธรรมะสำหรับผู้ปกครองคืออะไรและพระบรมครูผู้ไม่มีการระยะระดับขนาดถ้าพร้อมแล้ว เราเดินทางไปจิตตะนครด้วยกันเลยนะคะกับจิตตะนครตอนที่4คะ่ะคู่บารมีของนครสามีนครสามีคือผู้ครองนคร น, นครสามีหรือผู้ครองนครไว้วางใจสมุไทยเป็นอันมาก ในการให้ดำเนินการต่างๆในจิตตานะครและเมื่อไว้วางใจมอบหมายให้สมูทัยดำเนินการแล้วนะครสามีหรือผู้ครองนครก็เริ่มสังเกตเห็นความไม่ปกติต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังจับต้นเหตุไม่ได้เพราะว่าสมูทัยเข้าใจหลบซ่อนการกระทําของตนและก็พวกพ้องได้เป็นอย่างดี อันที่จริงแล้วสมุไทยและพวกพ้องมีได้เป็นชาวจิตตะนครมาแต่เดิมแต่ว่าเป็นผู้ที่อพยพมาจากถิ่นอื่นแล้วก็มาจับจองตั้งหลักฐานอยู่ในจิตตะนครแถมยังชวนพักพวกเพื่อนพ้องให้พากันยกขบวนเข้ามายึดถิ่นฐานต่างๆแล้วก็แผ่กระจายออกไปจนถึงวางพวกไว้ควบคุมทั่วไปหมดคือเป็นคนนอกแล้วก็เข้ามายึดพื้นที่ สมุไทยได้ตั้งหลักฐานอยู่กับนครสามีทีเดียวเป็นผู้สำเร็จสัพพกิจในจิตตะนครและแต่งตั้งบรรดาหัวโจกทั้งสามพร้อมพักพวกทั้ง16กิเลศ 1,500 และตันหาร0 8ให้เป็นหัวหน้าและประจำหน่วยต่างๆแถมยังเกณฑ์ใช้ชาวจิตตะนครให้มาเป็นทาสกรรมกรทำสิ่งต่างๆตามแต่สมุไทยจับประสงค์ นครสามีก็เพลิดเพลินอยู่กับภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ที่สมุทัยสร้างซึ่งเรียกโดยภาษาของจิตตานครว่าอารมณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเดิมทีนครสามีหรือว่าเจ้าผู้ครองนครมีกายผุดพองดังจะกล่าวว่ามีรัศมีก็น่าจะได้นะครับมีปัญญาเฉียบแหลมรู้อะไรถูกต้องฉับพลัน แต่ว่าพอมาคบกับสมุทัยมากเข้ากายที่เคยผุดผ่องก็กลายเป็นเศร้ามองที่เคยมีรสศมีมีแสงก็อับแสงที่เคยมีปัญญาเฉียบแหลมรู้อะไรถูกต้องก็กลายเป็นผู้มีปัญญาอ่อนรู้อะไรก็มักผิดพลาดที่เคยสงบเยือกเย็นก็กลับไม่สงบและร้อนรนกระวนกระวายหิวกระหายในอารมย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอ นครสามีมีพฤติการเปลี่ยนไปจากปกติแต่เดิมอย่างหน้ามือเป็นหลังมือแต่โชคดีที่เดชะกุศลของนครสามีหรือเจ้าเมืองแห่งจิตตะนครนี้ยังมีอยู่นั่นก็คือคู่บา ร, รมีของเจ้าเมืองเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งปวงที่ตรงกันข้ามกับสมุไทยคู่บา ร, รมีได้เข้ามาตักเตือนเจ้าเมืองว่าได้มองเห็นหรือไม่ว่าเวลานี้ จิตตานครได้ยุ่งเหยิงสับสนขึ้นมากเพียงไรโจรผู้ร้ายหลายกกหลายเหล่าที่ขึ้นชื่อลือนามว่ากายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนโทุจริตหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้นทั่วไปโดยมีหัวโจกใหญ่ที่รู้รู้กันว่าโลโพโทโซโมโฮยุยงส่งเสริมและยังมีอย่างอื่นอีกมากมายหลายอย่างเจ้าเมืองได้รับคาตักเตือนจากคู่บารมีก็เริ่มเฉลียวใจ มองเห็นความยุ่งเหยิงต่างๆดังกล่าวปกติสมุไทยจะเข้าประชิดขุมเจ้าเมืองแจไม่ยอมห่างสมุไทยนี่ไม่เกรงกลัวใครแม้แต่เจ้าเมืองสมุไทยก็ไม่กลัวมีอยู่เพียงคนเดียวที่สมุไทยเกรงมากก็คือคู่บา ร, รมีของเจ้าเมืองเมื่อคู่บา ร, รมีเดินเข้ามาสมุไทยจะถอยห่างออกไปไม่กล้าอยู่เผชิญหน้าคาตักเตือนของคู่บา ร, รมีได้ผล ทำให้เจ้าเมืองได้คิดขึ้นทันทีว่าจิตตนครกกำลังยุ่งเหยิงสับสนจริงเพราะเมื่อได้อยู่กับคู่บา ร, รมีสมุทัยถอยห่างออกไปกายของเจ้าเมืองก็กลับผุดพองมีแสงมีปัญญารู้ถูกต้องขึ้นสงบเยือกเย็นขึ้นความร้อนกระวนกระวายก็ระงับด้วยการดับหายภาพยนตร์ต่างๆที่เป็นมายาของสมุทัยก็หายไป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 จะทำให้ผู้มีความทุกข์ได้รับความสุขนั่นเองธรรมสำหรับผู้ปกครองธรรมสำหรับผู้ปกครองนี้เรียกว่าราชธรรมแม้ตามศัพท์จะแปลว่าธรรมะสำหรับพระราชาแต่ตามความมุ่งหมายก็คือธรรมสำหรับผู้ปกครองทั่วไปและสำหรับผู้อยู่ในปกครองด้วยมีแสดงไว้1ิบประการเรียกว่าทศพิษราชธร ร, รมในที่นี้จะกล่าวเฉพาะข้อที่6ก คือตปะหรือต บ, บะมีอธิบายตามพระธรรมเทศนาทศพิธรราชธรรมที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากร ม, มหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ส่งถวายในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อปีพุทธศักราช2493ว่าตปะหรือตบะโดยพยัญชนะแปลว่าแผดเผาโดยมากท่านใช้เป็นชื่อของความเพียรจึงแปลว่าความเพียรเป็นเครื่องแผดเผาวงเล็บ ความเกียิคร้านใช้เป็นชื่อธรรมอื่นอีกบ้างทางลัทธิพราหม์แสดงว่าตบะของพราหม์คือการเล่าเรียนพระเวทที่ศักดิ์สิทธิตบะของกษัตริย์คือการคุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชนตบะของเวสระหรือไวยะคือการทำบุญให้ทานแก่พราหม์ตบะของสูตรคือการรับใช้ตบะของฤาษีคือการกินอาหารที่เป็นผักมีคำเป็นคาถานหนึ่งแสดงว่า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 ผูพ้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าสัตตบุรุษพูดละหรือสงบราคะโทสะโมหะพูดเป็นธรรมชื่อว่าสัตตบุรุษพระบรมครูผู้ไม่มีการระยะระดับขนาดถึงแม้ว่าเจ้าเมืองหรือนครสามีจะรู้ถึงความผิดปกติรู้ถึงความระสำมระสายที่เกิดขึ้นในจิตตานะครแต่นครสามีหรือเจ้าเมืองก็ยังโปรดปรานพอใจสมุ ท, ทยัย ว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ความสุขความเจริญต่างๆสมชื่อว่าสมุทไทยที่เจะเมืองให้ความหมายว่าเป็นเหตุแห่งความสุขต่างๆเพราะยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นสมุทไทยคือเหตุแห่งความทุกข์หรือความเดือดร้อนแต่ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมถึงได้เกิดมีความทุกข์ความเดือดร้อนมากขึ้นทุกทีมองเห็นผลถนัดขึ้นแต่ยังไม่เจอเหตุคล้ายกับพอมองเห็นรางๆแต่ก็ยังไม่เห็นชัดเจนว่าอะไร ไฟคู่บารมีที่ได้เข้ามาตักเตือนแม้จะรู้อยู่เต็มใจว่าใครเป็นต้นเหตุแต่ก็ยังเห็นว่าไม่ถึงเวลาที่จะบอกเพราะบอกไปเจ้าเมืองก็ไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดเพราะว่ายังโปรดปรานกันมากยังเห็นว่าดีด้วยประการทั้งปวงการจะไปชี้หน้าคนโปรดของผู้ใดว่าไม่ดีก็เท่ากับไปชี้หน้าผู้นั้นเองด้วยเหมือนกันแต่ก็จําเป็นที่จะต้องหาวิธีทําให้เจ้าเมืองได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองเมื่อนครสามีหรือเจ้าเมือง ถามปรึกษาคู่บารมีว่าทําไมถึงได้เกิดผลเช่นนี้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายในชีวิตเช่นนี้และจะแก้ไขอย่างไรคูบารมีจึงตอบว่าจะไปหารือพระบรมครูก่อนถามว่าพระบรมครูคือใครก็ตอบว่าคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าท่านคือผู้ใดเล่าตอบว่าท่านคือผู้ตเอท่านคือผู้ รัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์เองแล้วทรงสั่งสอนคนทั้งปวงให้รู้ตามตั้งพระศาสนาขึ้นที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาถามว่าพระธรรมคืออะไรเล่าตอบว่าพระธรรมคือสัจจะความจริงหรือของจริงที่เมื่อรู้แล้วพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ถามว่าก็ทุกข์เดือดร้อนทั้งปวงของจิตตนครนี้เมื่อได้รู้พระธรรมแล้วจะพ้นได้หรือไม่ตอบว่าพ้นได้แน่ถามว่าถ้าเช่นนั้น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 ฝ่ายเจ้าเมืองได้ฟังดังนั้นก็เกิดปิติสมนัตในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าบสั่นเริญคู่บา ร, รมีว่าเป็นกันลยาณมิตรผู้ประเสริฐที่ได้แนะนําให้ได้ยินได้ฟังคําว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงเท่านี้ก็เริ่มสบายใจจึงถามต่อไปว่าเวลานี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนจะไปเฝ้าพระองค์ได้หรือไม่ตอบว่าในโลกของกายมนุษย์ พระองค์ได้เสด็จปรินิพานแล้วแต่ในจิตตนะครพระองค์ยังประทับอยู่ถ้าปรารถนาจะได้เฝ้าพระองค์ก็ให้ปฏิบัติจนเห็นธรรมดังที่ได้ตรัสสั่งไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเบ่าแต่ถ้าไม่เห็นธรรมก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ไกลที่สุดไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงแต่ถ้าเห็นธรรมก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ใกล้ที่สุดแต่อันที่จริงไม่มีเวลาอันเกี่ยวแก่อดีตอนาคตปัจจุบัน ไม่มีการไปมาอันเกี่ยวแก่ไกลใกล้ไม่มีพื้นที่ระดับขนาดอันเกี่ยวกับกว้างยาวตื้นลึกหนาบางเป็นต้นผู้พยายามจะแลใหเห็นพระพุทธเจ้าบริหารจิตได้เพียงใดก็จะสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้เพียงนั้นผู้บริหารจิตได้ดีมากก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าใกล้มากชัดมากผู้บริหารจิตได้ดีน้อย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 ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะค่บารมีแนะนำให้ใช้ศีลและฮิริโอตปะห้องสมุดหลังไม้โดยรัสมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่สองของห้องสมุดหลังไม้นะคะ วันนี้จิตตนาครตอนที่4ค่ะพระนิพนธ์ในสมเด็จพยานสสงวนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยการเรียนรู้และศึกษาพระนิพนธ์อันทรงคุณค่าของพระองค์ท่านที่จะมีประโยชน์ต่อเราโดยตรงจิตตนครเป็นพระนิพนธ์ที่ทรงสอนให้เราเข้าใจ ถึงความสำคัญและก็ความซับซ้อนของจิตใจนครหลวงแห่งชีวิตเราให้เข้าใจโครงสร้างให้เข้าใจการทำงานให้เข้าใจวิธีการที่จะสุขหรือทุกข์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วงที่2นะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าคู่บารมีแนะนำให้ใช้ศีลฮีริโอตปะคู่บารมีพยายามที่จะช่วยเหลือ ผู้ครองนครจิตตนครซึ่งกำลังตกอยู่ภายใต้การครอบงำของสมู ท, ทยสมู ท, ทยตัวร้ายที่มีหัวโจกแล้วก็มีพักพวกซึ่งคอยปั่นป่วนแล้วก็ครอบครองจิตตนครทำให้จิตตนคร น, นั้นมีแต่ความร้อนรนหาความสุขไม่ได้คูบบรมีพยายามที่จะเข้าแก้ไขสถานการณ์นะคะมาฟังกันต่อเลยกันละกันค่ะว่าในบทนี้ คู่บารมีจะสามารถโน้มน้าวโน้มน้าวผู้ครองนครจิตตานาครได้สาเร็จหรือไม่นะคะและการแนะนำให้ใช้ศีลฮิริโอตปะให้ใช้อย่างไรติดตามได้เลยค่ะกับจิตตานาครช่วงที่2ตอนที่4ค่ะ บรมีได้เข้าเฝ้าพระบร ม, มครูกราบทูลถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตตะนะครตลอดถึงการที่ได้เข้าเตือนนครสามีและแจ้งแก่นครสามีว่าจะกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเดือดอร้อนต่างๆฝ่ายองค์พระบร ม, มครู ผู้ทรงรู้ทรงเห็นจิตตะนะครทั้งหมดทรงทราบพระยานเหตุผลที่เกิดขึ้นในจิตตะนะครทัว่วทั่วทุกประการทรงมีพระมหากรุณาในนครสามีผู้เป็นเจ้าเมืองจิตตะนะครซึ่งก็ถือเป็นหมู่แห่งชนผู้ที่พระองค์จะพึงทรงแนะนํำสั่งสอนแต่เวลาปัจจุบันขณนะนั้น นครสามียังมีกายเศร้าหมองอับแสงไม่อาจที่จะรู้จะเห็นพระองค์และทำที่ละเอียดลุ่มลึกได้เนื่องจากว่าโดนสมุทไทยครอบงาใจให้หลงผิดจำเป็นจะต้องอาศัยคู่บา ร, รมีให้ช่วยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อนครสามีได้มีคู่บา ร, รมีอยู่ใกล้ก็มีกายผุดพองมีแสงขึ้นเมื่อมีกายผุดพองมีแสงขึ้น ก็ค่อยๆตักเตือนให้ดูเหตุผลที่ใกล้ๆหรือที่ตื้นแล้วเตือนให้ดูไกลออกไปหรือให้ดูที่ลุ่มลึกละเอียดขึ้นโดยลำดับก็จะจับตัวต้นเหตุที่สำคัญได้ในที่สุดพระพุทธองค์ได้ตรัสประทานพระธรรมโมวา่าพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อที่คู่บารมีจะได้นำไปช่วยนครสามีให้พ้นภัยพิบัติที่กาลังเกิดขึ้นในจิตตานาคร เมื่อคู่บารมีได้รับพระพุทธโอวาทแล้วก็เข้าพบนครสามีบอกว่าพระบร ม, มครูตรัสให้ตั้งกระทู้ถามสองข้อก่อนว่า 1. โลโพความโลภอยากได้โทโสความโกรธแค้นขัดเคืองโมโหความหลงมีคุณหรือมีโทษ 2. คนที่โลภโกรธหลงแล้วจึงฆ่าเข้าบ้างลักของเขาบ้าง ลักลอบผิดลูกเมียเขาหรือว่าผิดสา ม, มีเขาบ้างพูดเท็จหลอกลวงเขาบ้างดื่มน้ำเมาอันเป็นฐานประมาทบ้างเป็นคนดีหรือคนชั่วมีคุณหรือมีโทษฝ่ายนครสา ม, มีได้ฟังดังนั้นแล้วมองเห็นเหตุผลทันทีก็บอกว่าไม่ดีมีโทษทั้งสองข้อเหตุผลได้มีอยู่ในกระทุทั้งสองข้อนี้แล้วคือโลโพโทโซโมโหเป็นตัวมูลเหตุ การฆ่าเขาลักของเขาดังนี้ก็เรียกว่าทุจริตหรือว่าคอร์รัปชันเป็นผลแห่งมูลเหตุทั้งสามนั้นแล้วก็เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อนต่างๆผู้ครองนครเริ่มจับเหตุผลได้ยกมือพนมถวายนมาสการพระบรมครูผู้ประธานกระทูให้ได้คิด จากนั้นเพื่อแก้ไขความยุ่งยากของจิตตานะครที่เกิดจากการคุมอำนาจของสมุไทยและพรกพวกคูบารมีก็แนะนํานครสามีให้เรียกศีลฮิริโอตะปะเข้าพบด่วนและเมื่อได้รับความยินยอมเห็นชอบจากนครสามีแล้วคู่บารมีก็ได้นําศีลและฮิริโอตะปะเข้าพบนครสามีทันทีซึ่งนครสามีก็ได้สอบถามบุคคลทั้งสาม และบุคคลทั้งสมก็ได้ตอบคำถามคำถามมีอยู่ว่านาครสามีถามศีลว่าศีลจะทำอย่างไรศีลตอบว่าศีลจะทำให้เกิดความงดเว้นจากทุจริตทั้งหลายให้ประพฤติในทางสุจริตโดยไตรทวานคือกายวาจาใจถามว่าฮิริโอตะปักจะทาอย่างไรฮิริบอกว่าจะทำให้จิตใจมีความละอายต่อบาปทุจริต รังเกยียจบาปทุจริตเหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้กําลังรักสวยรักงามรังเกยียจต่อสิ่งโสโครกทั้งหลายไม่ปรารถนาจะถูกต้องโอตปะจะทําให้จิตใจมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปทุจริตเหมือนอย่างคนกลัวอสารพิษกลัวว่าจะถูกงูกัดกลัวความตายถามต่อไปว่าแล้วต้องการจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างศีลบอกว่า จ ะ, ข อ, อะ ข, อขอผู้ช่วยชื่อว่าวิไนและก็ขอไตรทวานเป็นที่ทํางานขอผู้ช่วยชื่อวิไนนะคะแล้วก็ขอไตรทวานเป็นที่ทํางานส่วนฮิริโอตะปะจะขอความละอายและความกลัของจิตใจมาเป็นเครื่องมือถามต่อไปว่าและวิไนเป็นอะไรวิไนเป็นบทบัญญัติที่ตราขึ้นสําหรับบ้านเมืองเรียกว่ากฎหมายก็มีเป็นบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าก็มี คูบารมีก็ได้ช่วยชีย้แจงว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตั้งฮิริโอตะปะทั้งคู่นี้ให้เป็นโลกบาลที่แปลว่าผู้คุ้มครองโลกเพราะฉะนั้นก็ขอให้เจ้าเมืองจิตตนครเนี่ยรับศีลและวินยัยมาเป็นผู้รักษาไตรทวานคือกายวาจาใจของจิตตนครและก็ตั้งให้อิริโอตะปะเป็นนครบาลของจิตตนครฝ่ายเจ้าเมืองก็ยินยอมตกลงต่อหน้าคู่บารมี ก็เป็นอันว่าสำเร็จในเบื้องต้นทีนี้พอได้รับหน้าที่แล้วศีลและวินัยก็เข้าตั้งสำนักงานรักษาไตรทวารของจิตตะนครวินัยก็รวบรวมกฎหมายของบ้านเมืองและพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าที่เหมาะแก่ภาวะสำหรับชาวจิตตะนครศีลชักนาส่งเสริมให้ผู้คนรักษาวินยัยให้ปฏิบัติกฎหมายและพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า ห้ามคนให้งดเว้นจากการล่วงเกินละเมิดกฎหมายและพระบัญญัติช่วยกันรักษาไตรทวารของจิตตานครไว้ก่อนที่ศีลและวินัยจะเข้ามานั้นกฎหมายถึงจะมีก็เหมือนไม่มีส่วนพระบัญญัติของพระพุทธองค์ไม่ต้องกล่าวถึงผู้ผู้ร้ายหรือว่าโจรทุจริตต่างๆพากันเข้ามาทางไตรทวารของจิตตานครคือกายวาจาใจ ลักขโมยฉกชิงวิ่งราวปร้นสดมชาวจิตตะนคร อ, อยู่เนืองเนืองทำให้เกิดความเดือดร้อนประสำํประสายครั้นเมื่อศีลและวินัยเข้ามารักษาไตรทวารของเมืองอยู่ผู้ร้ายต่างๆก็เข้ามาไม่ได้วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งปีใหม่แห่งชาวโลกทั่วไปได้ย่างมาถึงมีการแสดงความยินดีรื่นเริงกันเป็นพิเศษฝ่ายจิตตนครก็มีการขึ้นปีใหม่เช่นเดียวกัน และได้มีบุคคลต่างๆกล่าวคำปราศัยในโอกาสนี้นครสามีผู้เป็นเจ้าเมืองจิตนครได้กล่าวคำปราศัยว่าจิตนครนดำรงผ่านมาอีกหนึ่งปีในัวบปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งสุขทั้งทุกข์ก็พยายามแก้ไขเหตุการณ์ในด้านทุกข์ให้กลับเป็นสุขอย่างเต็มความสามารถขอขอบใจผู้ช่วยทั้งหลายเช่นสมุทัยและพักพวก และคู่บา ร, รมีกับพักพวกในปีใหม่ก็ขอให้ช่วยกันต่อไปเพื่อความสุขความเจริญของจิตตานครคือตอนนี้เจ้าผู้ครองนครหรือว่านครสามีมี2ฝ่ายคือฝ่ายสมูทไทยกับพักพวกและก็ฝ่ายคู่บา ร, รมีกับพักพวกซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกันนะคะสมูทไทยได้กล่าวปราศัยบอกว่าสมูทไทยเป็นตัวแห่งความสุขอยากเข้าใจว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ สถานรื่นเริงบันเทิงสนุกทั้งปวงสมุทยัยเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งนั้นและขออย่าได้วาดกลัวต่อโลโพโทโซโมโหแล้วก็พักพวกเพราะว่าพวกเหล่านี้ต่างก็ช่วยกันสร้างความมั่งมีศรีสุขให้ทั้งนั้นพร้อมทั้งบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าโลโพดอกหรือจึงพากัน ร, ร่ารวยเป็นเศรษฐีไปตามขันใครไม่คบหากับโลโพ ก็ยากที่จะเป็นเศรษฐีและมีใช่เพราะโทโซโดอกฤกจึงมีเดชอํานาจเป็นที่กลัวเกรงของใครๆและมีใช่เพราะโมโหโดอกฤกจึงมีความสุขสนุกสนานอยู่ในโลกได้ในปีใหม่ใครปรารถนาความสุขก็ขอให้เชื่อฟังสมุทยัยคบหากับโลโพโทโซโมโหให้มากยิ่งขึ้นเถิดนี่คือสมุทยัยมาดูอีกด้านหนึ่งฝ่ายคู่บา ร, รมีปราศัยว่า ขอให้คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ในปีเก่าพิจารณาดูให้เห็นเหตุผลอย่าด่วนเชื่อฟังใครง่ายๆแม้แต่ที่คู่บา ร, รมีกล่าวอยู่นี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อให้พินิษ์พิจารณาให้ท่องแท้ทุกคนคิดเป็นด้วยกันทั้งนั้นขอให้ยั้งคิดทุกเดือดร้อนต่างๆในจิตตนานครเกิดจากการที่ทำขึ้นและการที่ทำขึ้นนั้นเกิดจากอะไรถ้าไม่ใช่จากจิตใจที่ประกอบไปด้วยโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นในปีใหม่ ขอให้รู้จักยับยั้งจิตใจยอย่ายอมต่อความโลภโกรธลงก็จะมีความสุขกว่าปีเก่าแน่นอนเหมือนกับหาเสียงเลยทีเดียวนะคะ2ฝ่ายส่วนศีลศีลบอกว่าขอให้พากันประพฤติงดเว้นทุจริตทางไตรทวารฮริโอต ป, ปะบอกว่าขอให้พากันละอายรังเกียจความชั่วเกรงกลัวต่อความชั่วร้ายทั้งปวงแต่อย่ากลัวต่อบุญที่เป็นความดีหรือการกระทาความดีทั้งหลาย ถ้าทำได้ดังนี้จะมีความสุขยิ่งขึ้นในปีใหม่แน่นอนในนครต่างๆของโลกคำปราสัยของใครๆมักจะตกแต่งเป็นอย่างดีเช่นแม้จะอยากได้ก็แสดงเป็นเหมือนไม่อยากได้ถึงจะโกรธก็ทำเป็นเหมือนไม่โ ก, กรธแต่ในจิตตะนครต่างแสดงกันโดยเปิดเผยฝ่ายพระบรมครูก็ได้ประทานพระพุทธโอวาทความว่าพึงอบรมใจ ให้มีเมตตาแผ่ไปในโลกทั้งปวงเถิดพระสุรเสียงดังไปทั่วจิตตะนะครแต่น่าแปลกที่ว่าหาได้ยินกันทั่วไปไม่ทั้งที่พระสุรเสียงก็ดังพอได้ยินถนัดในส่วนของฝ่ายสมุไทยกับพักพวกเมื่อเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็ตกใจเกรงว่าตนจะหมดอำนาจครอบครองจิตใจชาวจิตตานะคร เห็นว่าจะต้องกำจัดศีลและฮิริโอตาปะออกไปให้พ้นทางจัดการคู่นี้ก่อนมีให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับนครสามีโอกาสที่จะกำจัดได้ก็คือเมื่อคู่บา ร, รมีถอยห่างออกไปจากนครสามีเพราะในโอกาสที่คู่บา ร, รมีอยู่กับนครสามีสมูทยนี่แพ้ทางต้องถอยห่างออกไปอยู่ไม่ได้สมไทยก็คอยโอกาสและเมื่อโอกาสดังกล่าวมาถึงสมูทยก็เข้าหานครสามีทันที แล้วก็กล่าวฟ้องว่าเป็นเพราะสีและฮิริโอตปะแน่นอนที่มาทำให้จิตตานครเสื่อมโทรมทรัพยากรลดถอยความเจริญต่างๆก็ชะงักงันบ้านเมืองหรือก็เงียบเหงาหมดความสุขสนุกสนานประชาชนชาวจิตตานครต่างหมดอิสระเสรีภาพถูกควบคุมอยู่ทุกประตูจะทำอะไรก็ให้อึดอัดขัดข้องทุกคนต้องอยู่อย่างจากัด ในบริเวณอันคับแคบหมดความสนุกสนานพากันร้องทุกข์ขอให้เลิกใช้ศีลและฮิริโอตาปะเสียสมุทัยชี้แจงต่อไปว่าเป็นเพราะศีล น, นั่นทีเดียวทําให้ต้องเว้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้เสียโอกาสที่จะร่ำรวยการงานหลายอย่างก็ทําไม่ได้ทั้งการงานที่ทําอยู่แล้วหลายอย่างก็ต้องหยุดเลิกเพราะฮิริโอตาปะทําให้เป็นคนมักรังเกียจมักกลัว ดูอะไรๆก็เป็นบาปน่ารังเกียจน่ากลัวไปซะหมดไอหนุนก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ไฟนครสามีเมื่ออยู่กับสมุทไทยฟังคำของสมุทไทยก็ชักจะเอ็นเอียงใจหนึ่งก็เห็นด้วยคิดจะสั่งพักงานของศีลและฮิริโอตปะแต่อีกใจหนึ่งก็ยังเกรงใจคู่บารมีผู้แนะนำครั้นสมุทไทยเห็นนครสามีเกิดความลังเล รู้ว่าชักจะเอ็งเอียงมาทางฝ่ายตนบ้างแล้วจึงเพิ่มเติมอารมณ์แก่นครสามีให้มากยิ่งขึ้นปรากฏเหมือนอย่างภาพยนตร์ชักชวนให้ยินดีพอใจอยากได้ในอารมณ์บางอย่างให้ขัดใจไม่ชอบในอารมณ์บางอย่างให้เครือบเคลิ้มหลงไหลในอารมณ์บางอย่างซึ่งหัวโจกทั้งสาคือโลโโพโทโซโมโหได้โอกาสก็เข้าแทรกผสมทันทีสมูทยัยได้ปรวยอารมณ์ให้ฟุง้งเหมือนอย่างพายุฝุ่นที่ตลบไปทั้งเมือง ชาวจิตตนครพากันติดอารมณ์เพราะพากันได้เห็นได้ยินเป็นเรื่องเป็นราวอย่างภาพยนตร์หัวโจกทั้งสามก็เข้าแทรกผสมทั้งเมืองไม่ใช่เฉพาะเท่านี้ตันหาร้อยแปดกีเลศพั0 0ก็พากันได้โอกาสตื่นตัวเข้าแทรกผสมวุ่นวายไปหมดถึงตอนนี้ศีลและฮิริโอตปะก็ถูกพักหน้าที่สมุไทยกับพักพวกได้ทีเข้ายึดไตรทวารของจิตตานคร ส่งลูกมือคือกายทุจริตให้ดำเนินการทางกายทวารส่งวจีทุจริตดำเนินการทางวจีทวานส่งมโนทุจริตดาเนินการทางมโนทวานจิตตนคคจึงเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆเช่นเดียวกันหรือน่าจะยิ่งกว่าในบ้านเมืองที่เรียกว่าเจริญเจริญในโลกปัจจุบันนั่นก็คือสุราพาชีนารีบุรุษกีรบัตมีทั่วไปผู้คนร่ารวยเร็ว แต่ก็ยากจนเร็วเพราะไม่ต้องคอยงดเว้นอะไรสุดแท้แต่อารมณ์พาไปสุดแต่โอกาสอำนวยศีนและฮิริโอตปะกลายเป็นสิ่งที่หายากถ้าใครจะพูดถึงก็ไม่เป็นที่สนใจหรือไม่ก็เป็นที่หัวเราะเยาะเ ย, ะเยะ้ยถูกมินแครนสมุทัยจึงกลับมีอำนาจครองใจชาวจิตตะนครได้อีกโดยใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการผูกค้องใจคน ทำให้ศีนและฮิริโอตะปะต้องหลีกทอยไปไกลความจริงของโลกก็เป็นเช่นนั้นในใจของบุคคลทุกคนเมื่อมีความชั่วครองอยู่ความดีก็จะไม่มีหรือเมื่อมีความดีครองอยู่ความชั่วก็จะไม่มีดังนั้นสมุทัย จึงได้กลับมามีอำนาจครองใจชาวจิตตะนาครส่งพักพวกลูกสมุนยั่วยุนใจให้บรรดาชาวจิตตะนาครเกิดความติดความเพลิดเพลินยินดีพากันลืมศีลและฮิริโอตปะในไม่ช้าภัยพิบัติต่างๆก็เกิดขึ้นดินฟ้าอากาศพันผวนผิดปกติมีการประทุษกรรมมากขึ้น คนร้ายมีขึ้นทั่วทั่วไปอาชีพของคนชั้นกรรมอาชีพทั่วๆไปก็ลำบากขัดข้องเกิดความยากจนขัดสนในจิตตนครเมื่อเหตุพิบัติทั้งหลายปรากฏชัดขึ้นชาวจิตตนครก็กลับมาระลึกนึกถึงศีลและฮิริโอตะปะขึ้นอีกเป็นเหตุให้สมุทัยเกิดความวันไหวเกรงว่าจะถูกพิสูจน์ตามสัจจะคือความจริง สมุไทยจึงรีบถอยออกไปให้พ้นหน้าและหลบซ่อนตัวอยู่อย่างแนบเนียนว่องไวข้างฝ่ายคู่บารมีก็ได้เข้าหานครสามีและก็ต่อว่าในเรื่องที่พักหน้าที่ของซีนและฮิริโอตปะทั้งหมดทำให้เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆจนกระทั่งจิตตนครแทบจะลุกเป็นไฟอยู่แล้วความเจริญทางวัตถุต่างๆก็หาทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงไม่ เพราะอบายามุกและทุจริตต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปล้วนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และที่ว่าจิตตานครร่ํารวยขึ้นผู้คนมีรายได้ดีขึ้นอยู่ดีกินดีขึ้นถ้าดีขึ้นในส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ยากจนลงนครสามีเมื่อเผชิญหน้ากับคู่บารมีก็มองเห็นความจริงตามที่คู่บารมีกล่าวและเรียกร้องให้ศีล กับพิริโอตปะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปฝ่ายคู่บารมีรู้สึกว่าลำพังศีลกับพิริโอตปะคงจะมีกำลังไม่พอในการที่จะรับมือกับสมุทัยและพักพวกจําจะต้องขอกำลังเพิ่มจึงเสนอนครสามีให้เรียกกำลังเพิ่มเข้าประจําการช่วยเหลืออีกสนั่นก็คืออินทรีสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษในตอนหน้าเราจะมารู้จักกับพักพวกของคู่บารมีอันประกอบด้วยอินทรีสังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษว่าจะเข้ามาช่วยอะไรจิตตานครได้บ้างวันนี้หมดเวลาของจิตตานครแล้วนะคะขออนุ ญ, ญาตปิดประตูเมืองก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง